บันี้จะแสดงธรรมเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐาน <c oughs> ของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการศึกษาและการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาและปฏิบัติจนถึงบรรลุผลสูงสุด ในทางพระพุทธศาสนาก็ตามล้วนแล้วแต่มุ่งเจาะจงไปที่เรื่องของการกําหนดรู้ทุกขดับเหตแห่งทุกขและทําให้แจ้งในส่วนของนิโรธโดยการประพฤติปฏิบัติตามอริมักมีองค์แปประการทั้งนั้นดังนั้นในโครงสร้างการสแสวงหาส่วนใหญ่ของศาตว์โลกทั้งมวลพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่า มนุษย์เมื่อถูกภัยคือความตายก็ครอบกันย่งดิ้นรนสแสวงหาที่พึ่งกันด้วยประการต่างๆอาจจะถึงภูเขาต้นไม้จอมปลวกหรือว่าเจดียสถานต่างๆเป็นต้นแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันอุดมพูดถึงสิ่งเหล่านี้แล้วพูดถึงสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่ง ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ซึ่งข้อ น, นี้เป็นการเชี่ย้เห็นได้ว่าการที่บุคคลไปไขว้คว้ายึดถือสิ่งเหล่านั้นมาเป็นที่พึ่งบำนาทของตนนั้นพระพุทมีพระภาคเจ้าไม่ได้ทรงปฏิเสธว่าจะไม่ได้รับผลคือความสุขทุกระดับแต่ทรงปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันกเกษมไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันสูงสุด พอถึงสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งแล้วไม่สามารถจะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้แต่คำว่าทุกข์ทั้งปวงนั้นก็หมายความว่ามีทุก์บางอย่างบางระดับที่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นก็สามารถรอดพ้นจากความทุกข์ไปได้เช่นเดียวกันแต่ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติต้องการความหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริง พระสงค์แสดงไว้โดยนิยะว่าบุคคลใดมาถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งทีระลึกศึกษาปร ะ, ประพฤติปฏิบัติจนรู้แจ้งอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการได้แล้วนั่นจึงเป็นที่พึ่งอันกเกษมนั่นจึงเป็นที่พึ่งอันอุดมบุคคลพูดพูดถึงสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งแล้วย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ คนนี้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมก็จะเห็นว่าไม่ได้หยุดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเพียงการถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์เท่านั้นแต่จะต้องเดินไปด้วยการศึกษาและการปฏิบัติตามหลักของอริยสัจทั้งสี่ประการจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจทั้งสี่ประการนั้นแล้วจึงจะสามารถ เขาถึงที่พึ่งอันกเกษมที่พึ่งอันอุดมหรือที่พึ่งอันสูงสุดและสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้แต่การจะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้นั้นก็ต้องอาศัยความรู้เห็นในอริยสัจทั้ง4ี่โดยสมบูรณ์ทุกข์ทั้งปวงจึงจะหมดสิ้นไปแต่วันในชั้นของการปฏิบัติจริงๆแล้วมีคนเป็นจํานว น, นน้อยเท่านั้นเอง ที่สามารถทำตนในหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปได้ธรรมะส่วนใหญ่จึงมีลักษณะเน้นไปในการบรรเทาความทุกข์ลดความรุนแรงของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลทั้งหลายดังนั้นธรรมะเหล่าใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อความลดบรรเทาความรุนแรงของความทุกข์เพื่อแก้ไขสาเหตุของความทุกข์ ด้วยบุคคลสัมผัสผลคือความสุขในชั้นนั้นๆและเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเข้าถึงผลเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะทรงเน้นและทรงสั่งสอนในเรื่องเหล่านี้ไว้เป็นอนเนกกระปรยายและข้อที่ควรศึกษากำหนดอีกประการหนึ่งก็คือว่ามานบทั้งส6กคนที่ได้นำเรื่องราวของท่านมาแสดงโดยลำดับนั้น แต่ละท่านมองปัญหาอยู่สองจุดคือเรื่องของความทุกข์กับเรื่องของเหตุแห่งทุกข์เพียงพยายามที่จะดับความทุกข์กระดับเหตุแห่งความทุกข์พระพุทธเจ้าจึงทร ง, สงแสดงธรรมในรูปของอริยสัจทั้งสี่ประการมาโดยตลอดการปฏิบัติธรรมนั้นจึงไม่ได้หมายความว่าจะต้องบำเพ็ญจิตภาวนา ในชั้นของสมถกรรมาฐานและวิปัสสนากรรมาฐานเท่านั้นแท้จริงแล้วการกระทำอะไรก็ตามของบุคคลทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อความลดละความทุกข์ได้การกระทำนั้นก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างนยะแห่งพระพุทธภาสิทธิ์ที่พระผู้มีพระภักร์จะทรงแสดงประรบเรื่องบัณฑิตสามนเณร เป็แสดงว่าชาวนาย่อมไขน้ำข้าวนาช่างสอนย่อมดัดลูกสอนช่างถากย่อมถากไม้บัณฑิตย่อมฝึกตนนี่จะเห็นได้ว่าคนทั้งสี่ประเภทนั้นกำลังประพฤติปฏิบัติธรรมกันอยู่พระชาวนาที่ไหน้ำข้าวนานั้นย่อมสามารถบรรเทาความทุกข์ที่เกี่ยวกับการครองชีวิตได้ จ้างสอนที่ดัดลูกสอนก็สามารถบรรเทาความทุกในการครองชีวิตได้เช่นเดียวกันจ้างถากถากไม้ซึ่งเป็นงานอาชีพของท่านที่ประกอบสา ม, มาชีพเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวได้มันมีความหมั่นขยันในการถากไม้อยู่ตามไม้อยู่ก็สามารถที่จะบรรเทาความทุกเกี่ยวกับการครองเรือนได้เช่นเดียวกันแต่บัณฑิตซึ่งมุ่งผลที่สูงขึ้นไปกว่านั้น เพราะไม่มีปัญหาในระดับของการครองเรือนท่านก็สอนให้ฝึกตนแต่การฝึกตนก็มีอยู่ได้หลายระดับด้วยกันการกระทําอย่างไรก็ตามที่เป็นการฝึกฝนตนเองมีผลในการลดละความทุกข์ลงไปลดความรุนแรงของกิเลส ข, ของอารมณ์ลงไปสัมผัสความสุขได้ในชั้นนั้นๆโดยการประพฤติปฏิบัติไปตามหลักของธรรมะแล้ว การประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นก็ชื่อว่าเป็นการฝึกตนของบุคคลเหล่านั้นด น, นั้นปัญหาเรื่องความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้มุ่งหมายที่จะให้คนรู้ความจริงในฐานะนั้นๆความจริงโดยสภาพของความทุกข์เพราความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลนั้นไม่ใช่เพื่อทุกข์อย่างสูงเพียงอย่างเดียวแต่แท้จริงแล้ว ชีวิตคนเกี่ยวข้องผูกพันอยู่ด้วยความทุกข์ตลอดไปเมื่อท่านมองจากจุดสูงสุดของความจริงแห่งชีวิตแล้วท่านก็แสดงเห็นว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์หรือเป็นทะเลแห่งความทุกข์จนถึงท่านกล่าวว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับ ธรรมะจึงมีลักษณะเป็นเครื่องบรรเทาความทุกข์จนถึงดับทุกข์มาโดยดำ่ดับแต่การจะดับทุกข์ได้มันก็ต้องเริ่มมาที่การบรรเทาความทุกข์เสียก่อนนิ่งๆจะดับความทุกข์ไปเลยก็เป็นไปไม่ได้ธรรมะปฏิบัติจึงมีลักษณะเหมือนกับแสงไฟที่บุคคลจุดขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งความทุกข์นั้นเป็นกบเหมือนกับความมืดตนั้นจะเห็นได้ว่า บางครั้งบางคราวเราจุดไฟขึ้นเพียงจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นจนการใช้ควยฉายสองไปในหนทางแสงสว่างก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่ในจุดที่เราเหยียบย่างไปนั้นก็มีแสงสว่างสว่างปรากฏอยู่ทำให้ไม่เกิดการพลั้งพลาดไม่เกิดอันตรายในการก้าวเดินไปลักษณะของการศึกษาเรียนรู้เพื่อบรรเทาความทุกข์ก็มีลักษณะเช่นนั้น ขอเพียงแต่เห็นความทุกข์เข้าใจความทุกข์ในจุดใดจุดหนึ่งได้แล้วบุคคลสามารถบรรเทาความทุกข์ในจุดนั้นนั้นได้ก็ชื่อว่าสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแกต่ตนและโดยการประพปฏิบัติเช่นนั้นเองก็จะเป็นการปฏิบัติไปตามโครงสร้างใหญ่คืออริยสัจทั้ง4ี่ประการส่วนจะสัมผัสในชั้นใดของอริยสัจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่เข้าไปอยู่ในขอบข่ายของอริยสัจก็แล้วกันดังนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปทรงแสดงความทุกข์โดยสรุปไว้เป็นสองกลุ่มคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางใจแล้วก็เน้นไปทั้งความทุกข์ถาวรและความทุกข์ที่จอดเข้ามาดังนั้นการบรรเทาความทุกข์จึงทรงสอนให้มองตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตคือการครองเรือน การดำรงชีวิตของบุคคลเช่นทรงสอนไว้ว่าความจนเป็นทุกข์ในโลกให้บุคคลมองที่ตัวความจนว่ามีปัญหาสารพัดอย่างทำอย่างไรจึงจะบรรเทาความยากจนลงไปได้ก็ทรงสอนธรรมะปฏิบัติเป็นเรื่องของทิฏฐาไมกัทธประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบันทั้งสี่ประการ ให้บุคคลมีความหมั่นขยันในการทำงานรู้จักเก็บ อ, อมรักษาทรัพย์สมบัติกับหาสมาคมกับคนดีซื้อหาจับจ่ายไปตามเหมาะควรแก่กำลังทรัพย์ของตนที่มีอยู่และที่สามารถจะใช้จ่ายได้เมื่อจ่ายไปแล้วก็ไม่มีปัญหาในชั้นครองเรือนนั่นเองทรงสอนว่าการเป็นหนี้เป็นศินบุคคลอื่นเป็นความทุกข์ในดกลกแ้บุคคลมองไปที่โทษของการเป็นหนี้เป็นศิน และพยายามมัธยะ ต, ตัวเองพยายามสำรวมระวังตัวเองที่จะไม่สร้างหนี้สร้างสินให้บังเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวแม้จะลำบากเดือดร้อนไปบ้างก็พยายามปรับตัวเองให้อยู่ได้ในสถานการณ์เหล่านั้นเพื่อจะได้ไม่เพิ่มความทุกข์ให้ทับทวีขึ้นปัญหาเรื่องหนี้สินนั้นเป็นปัญหาที่เข้าใจกันได้ พูดแล้วมองแล้วอาจจะมีตัวอย่างบุคคลในเทียบเคียงเขียนอยู่เป็นนั้นมากในชั้นหนึ่งก็ทรงสอนว่าความไม่มีโรคเป็นราภอย่าจริงซึ่งหมายความว่าตัวโรคนั้นก็เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลทำอย่างไรจึงจะสามารถบันเทาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่บังเกิดขึ้นในชีวิตของตนเองได้ในข้อนี้ก็ทรงสอนหลัก ในการปฏิบัติทั้งในส่วนร่างกายและในส่วนจิตใจส่วนก า, การปฏิบัติที่เกี่ยวกับร่างกายนั้นก็คือการเคลื่อนไหวในอิรยาบททั้งสี่ซึ่งสร่นสาตุชนผู้ประพฤติปฏิบัติ ธ, ธรรมะจะเห็นว่าพระเจ้าทรงคาหนึ่งถึงเรื่องนี้เป็นพิเศษเช่นในการปฏิบัติกรร ม, มาฐานในส่วนของกายคือกายานุปัสนาสติปัฏฐานนั้นนอกจากจะสอนในกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกแล้ว ในขณะบำเพ็ญเพียรทางจิตยอยู่นั้นก็ต้องใช้ช่วงหนึ่งในการเดินจงกรมเป็นการผลัดเปลี่ยนอิยาบทของตัวเองคือเดินกลับไปกลับมาเพื่อเป็นการบริหารร่างกายได้กําหนดรู้อิยาบททั้งหลายที่ใช้อิยาบททั้ง4แต่ให้มีสติระลึกรู้อยู่ในอิยาบทเหล่านั้นเท่านั้ น, น, นถึงจากการที่ร่างกายได้เคลื่อนไหวไปในอิยาบททั้ง4ี่โดยสม่ําเสมอกัน เพื่จะแก้ปัญหาในเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บส่วนร่างกายที่เกิดขึ้นจากกิริยาบุเพราะความทุกข์ในลักษณะนี้ถือว่าเป็นความทุกข์หนึ่งนิดหรือทุกข์โดยสม่ำเสมอเกิดขึ้นกับร่างกายของบุคคลอยู่เรื่อยจนวิริยาบุไม่สม่ำเสมอหรยขันทัดไม่ปกติไปหลืจะต้องมีการขับถ่ายต่างๆเป็นต้นทีเล่า น, นี้บุคคลก็มองเห็นกันว่าเป็นเรื่องของความทุกข์ที่เกิดขึ้น แต่อาศัยที่บุคคลเพียรพยายามปฏิบัติไปให้ถูกตรงก็บรรเทาเกิดอาการปวดอุจาระปัสสาวะก็แก้ไขปัญหาเหล่านี้ไปก็รู้สึกไม่มีความทุกข์มากเท่าไหร่แต่แท้ที่จริงถ้าไม่ไม่ได้ปฏิบัติไปตามนั้นแล้วความทุกข์ก็จะเกิดเสียแทงบุคคลนั้นถึงก็ดูกันได้เข้าใจกันได้เรานี้ก็ส่งสอนวิธี ปฏิบัติเพื่อบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าทุกข์ประจำชีวิตของบุคคลเกิดขึ้นในแต่ละวันนั้นต้องเกี่ยวข้องต้องบรรเทาความทุกข์เรื่องนี้กันอยู่เสมอก็ส่งสอนให้รู้จักว่ามันเป็นความทุกข์แล้วก็หาทางที่จะแก้ไขกันบางครั้งบางคราวผู้ปฏิบัติเป็นพระภิกษุสามเณรอิยาบุตรบางอย่างทําไม่ได้เมื่อทําไม่ได้ก็ต้องเพิ่มอิยาบทส่วนอื่นขึ้นเช่นการเที่ยวไปบินธบัต เราตึงทรงสอนให้ปฏิบัติกิจวัตรต่างๆกวาดวัดถูพื้นปาดขยะเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความเคลื่อนไหวที่จะบรรเทาความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นแก่ร่างกายบางทีก็ทรงสอนว่าความหิวนั้นเป็นทุกข์ในโลกซึงหมายความว่าความหิวก็เป็นทุกข์ประจำอีกประการหนึ่งซึ่งจะต้องอาศัยการบรรเทาความหิวที่บังเกิดขึ้น แต่ในขณะเดียวกันถ้ากินมากไปก็เป็นทุกข์ในโลกเหมือนกันทำอย่างไรจึงจะมีจุดกลางในการประพฤติปฏิบัติย้ายบุคคลเดือดร้อนเพราะความหิวถ้าย้ายบุคคลเดือดร้อนเพราะกินมากใช้จ่ายมากบริโภคมากเกินไปในชั้ก็การบรรเทาก็ส่งสอนเรื่องการสแสวงหาเพื่อแก้ปัญหาความหิวดังกล่าวแล้วแต่จะเพื่อ ไม่บุคคลบริโภคมากรับประทานมากจนสร้างปัญหาคือความทุกข์ขึ้นอีกต่อนหนึ่งก็ทรงสอนในชั้นต่างๆจนมาขั้นของการสแสวงหาก็ให้สแสวงหาอาหารมาในทางที่ชอบทำอย่าให้บริโภคไปแล้วเกิดเดือดร้อนใจไม่สบายใจวิตกกังวลรกระตุ่มหรือว่าต้องหวาดระแวงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเพราะการสแสวงหาอาหารเป็นเหตุ ในขณะเดียวกันก็สรงสอนให้พิจารณาถึงการบริโภคอาหารการบริโภคปัจจัย4ี่ทั้งหมดทรงสอนให้พิจารณาให้พิจารณาเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ตกเป็นทาสของปัจจัยสี่เหล่านั้นในการสแสวงหาในการถือครองในการเก็บสะสมเอาไว้จนเกินความจำเป็นแล้วก็เป็นสื่อนำภัยอันตรายมาสู่ตนเอง โดยมองไปที่วัตถุประสงค์ผลประโยชน์ที่ตนจะได้อย่างแท้จริงและที่ร่างกายต้องการอย่างแท้จริงจากสิ่งเหล่านั้นเจ้าในการรับประทานอาหารก็ส่งสอนให้บุคคลพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการรับประทานอาหารว่าไม่ใช่รับประทานเพื่อเล่น <S <S เพื่อสนุก <S <S เพื่อ <S <S เดตอ <S <S <ๆ>ร่อยเพื่อความอ้วนเพีแต่ประการใดแต่เป็นการบริโภคเพื่อให้ร่างกายของตนนั้นดํารงอยู่ได้ แขจัดความหิวที่เกิดขึ้นในขณะนั้นป้องกันความหิวไม่เกิดขึ้นในร่างกายมีกําลังสามารถประกอบกิจการงานของตนได้เป็นตนนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมทั้งหมดไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งกับมาฐานอย่างเดียวหรือจะต้องเข้าป่าบําเพ็ญเพียรอย่างเดียวการปฏิบัติธรรมในความหมายของพระพุทธเจ้านั้นครอบคลุมภารกิจหน้าที่ต่างๆที่คนทําอยู่โดยปกติ เพียงแต่ว่าปรับข้าหาธรรมะที่เป็นกุศลเท่านั้นเพื่อเกิดผลเป็นการบรรเทาความทุกข์ให้น้อยลงเพิ่มความสุขให้สูงขึ้นตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆความทุกข์อีกประการหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นความทุกข์ประจำในชีวิตของบุคคลทงแสดงโดยสรุปว่าความทุกข์ที่เกี่ยวกับโลกธรรมซึ่งก็หมายความว่า โลกธรรมก็คือสิ่งที่ครอบงำสัตว์โลกอยู่ครอบงำคนทั้งหลายอยู่มีทั้งด้านที่เราชอบและด้านที่บุคคลไม่ชอบด้านที่ชอบนั้นก็คือลาบยศสันเสริญสุขด้านที่ไม่ชอบก็คือเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกในกรณีของความเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาประสบความทุกข์นั้น ความทุกข์จะเกิดขึ้นเสียดแพงแกบุคคลทั้งในส่วนร่างกายและในส่วนจิตใจทำอย่างไรจึงจะบรรเทาปัญหาเหล่านี้ลงไปได้เพราะแต่และเรื่องนั้นสามารถเพิ่มความทุกข์ในด้านจิตใจของบุคคลให้สูงขึ้นพระเจ้าก็ทรงสอนชี้แจงธรรมะเหล่านั้นไปโดย ด, ดําดดบอย่างในกรณีของเรื่องลาบในชั้นแรก ก็ทรงสอนในแสวงหาในทางที่ชอบทำถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมชั้นหนึ่งเป็นสมาชีวะในองค์อริยมรรคชั้นหนึ่งในชั้นที่สองในการแสวงหานั้นบุคคลอย่าไปตั้งความหวังแนวเดียวแม้จะเป็นการแสวงหาในทางที่ชอบทำก็ตามอย่าไปตั้งความหวังไว้แนวเดียวว่าเราจะต้องได้ตามที่เราต้องการเสมอไปให้ใช้ความเพียรพยายามที่ ถูกต้องตามธรรมลงไปอย่างเต็มที่แต่วันในขณะเดียวกันนั้นผลจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพียงไหร่ก็เป็นเรื่องของผลเหมือนกับการปลูกต้นไม้เกษตรกรเกษตรก ร, ก, ร, ก, รก็ใช้ความเพียรพยายามลงไปเต็มที่แต่ผลจะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรนั้นก็ต้องเตรียมใจยอมรับความจริงไว้ทั้งสองด้านเต็มตามความปรารถนาก็ดีไป ถ้าไม่เต็มตามความปรารถนาก็ทำใจให้ยินดีเท่านั้นแต่ถ้าเกิดปัญหาเกินเกิดตุกพิกระไยเกิดอันตรายจากธรรมชาติเป็นต้นขึ้นมาก็ต้องทำใจให้สงบแล้วยมแก้ไขปัญหาที่บังเกิดขึ้นไม่เดือดร้อนเพราะเรื่องเหล่านี้มากเกินไปเรื่อนี้ทันแล้วแต่เป็นพิธีการปฏิบัติเพื่อบรรเทาความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากการเสื่อมลาบ ถ้าในขณะเดียวกันพอถึงชั้นของจิตเราสงสอนให้มองในแง่ของธรรมชาติธรรมดาจะมองเห็นว่าธรรมดามันก็เป็นอย่างนี้สภาวะมันก็เป็นอย่างนี้ไม่พ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ในขณะที่เรากำลังผิดหวังเสื่อมลาบจุดนั้ น, นพี่ญาติพี่น้องของเราเพื่อนร่วมโลกของเราเป็นนั้นมากประสบความผิดหวังในเรื่องลาบมากกว่าเรา เราประสบขนาดนี้ก็ดีแล้วดีกว่าที่จะประสบรุนแรงมากขึ้นไปกว่านี้โดยความคิดพื้นฐานขนาดนี้มันก็จะรอความทุกข์ออกไปได้แม้จิตใจตกต่ำจนถึงไปซ้ำเติมตัวเองให้หนักยิ่งขึ้ น, นปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลจนถึงกับคนไทยเรานำมาพูดกันเป็นภาษาง่ายๆธรรมดาเราก็ไม่ได้มองในแง่ของธรรมะ เรามัพูดกันว่าเสียน้อยเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนั่นคือลักษณะอะไรว่าการสูญเสียบางครั้งบางคราวนั้นก็คือการสูญเสียแต่คนไม่ยอมรับความสูญเสียเ่านั้นแทนที่จะปรงตกแทนที่จะเข้าใจถึงความจริงเฉพาะในจุดนั้นล้วก็หยุดความทุกข์ไว้ในจุดนั้นบุคคลก็ก้าวหน้าต่อไปทุ่มเทเงินทองลงไปเพื่อต่อสู้ ไปเรียกร้องสิ่งเหล่านั้นกลับมาและในที่สุดแทนที่จะได้มันก็เสียเพิ่มขึ้นเจตมการเป็นความในโรงในสารต่างๆเป็นต้นเป็นลักษณะของการเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนั่นเองนั่นเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลไม่พยายามใช้เหตุผลที่จะหยุดความทุกข์เอาไว้ที่จะลดละความทุกข์ไม่ให้เพิ่มขึ้นแต่เป็นการซ้าเติมตัวเองเพิ่มเติมความทุกข์ลงไปในเพราะละเป็นเหตุ ในกรณีของยศก็ทรงสอนไว้โดยธรรมนเดียวกันยศนั้นเป็นเรื่องสมมติสัจจะในช่วงสั้นเพิ่งมาแปะเข้ากับชีวิตของบุคคลในช่วงที่เป็นผู้ใหญ่แล้วยศนั้นไม่มีมาแต่เดิมเป็นเรื่องเกิดขึ้นโดยการสมมติบัญญัติของบุคคลเหล่านั้นมีการแต่งตั้งมีการยอมรับนับถือกันและเป็นการสมมติที่แท้จริง เมเลิกแล้วก็เลิกต่อกันนั้นเรื่องยศศักดิ์จึงมีลักษณะเหมือนการกำหนดบทบาทให้ผู้แสดงบทละครหรือแสดงภาพยนตร์หรือแสดงอะไรก็ตามก็เป็นการสมมติกันเฉพาะช่วงหนึ่งเท่านั้นแต่เมื่อเป็นโลกธรรมก็ทรงสอนให้ยอมรับความจริงในส่วนนั้นถ้าไม่มีก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเดิมเดิมก่อนก็ไม่มี ถ้าเกิดมีขึ้นมาก็ต้องยอมรับความจริงเหมือนกันเพราะยศนั้นเกิดขึ้นได้มันก็เสื่อมไปได้อาจจะเกิดขึ้นในวันนี้อาจจะเสื่อมไปในวันพรุ่งนี้ก็ได้เพราะคนที่ได้ยศมีตัวอย่างให้เห็นกันคนที่เสื่อมยศมีตัวอย่างให้เห็นกันถ้าคนที่สามารถดารงยศไว้อยู่ก็มีตัวอย่างให้เห็นกันแต่ในที่สุดคนนั้นก็ต้องหมดสิ้นยศไปเพราะความตาย เันคนที่ดำรงยศอยู่ได้จริงๆ จ, ง จ, งจึงไม่มีเราสอนให้รู้ความจริงในเรื่องของยศเหล่านี้ในแต่ละจุดถ้าไม่ได้ก็ไม่ดิ้นรนสแสวงหาเมื่อได้มาก็เตรียมใจยอมรับความจริงและใช้ประโยชน์จากยศนั้นในทางที่สร้างสารรค์พัฒนาเพิ่มคุณความดีให้แก่ตนและแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อเสื่อมยศไป ก็ทำใจได้ปรองใจได้ของไม่มีมาก่อนมาเกิดมีมันก็กลับไปสู่ครัมไม่มีก็มองเห็นไปเรื่องธรรมดาไปใจใจก็จะสบายได้จึงกหมายความในขณะนั้นก็ยังเกี่ยวข้องกับโลกกรรมส่วนนี้อยู่มั่จะตัดขาดจากโลกกระมแต่การพยายามปรับใจตัวเองให้เหมาะกวนแก่ฐานะนั้นๆเวลาเสื่อมยศก็ไม่ทุกข์เพราะการเสื่อมยศเวลาได้ยศขึ้นมา ก็ไม่เพลิดเพลิน เ, เรื่องหลงประการได้ยศจึงทรงเน้นว่าบุคคลได้ยศแล้วไม่ควรเมาเพราะถ้าเมาจะเกิดความมืดบอดในด้านเหตุผลสติปัญญามุ่งแต่จะได้อย่างเดียวไม่มุ่งไม่ยอมที่จะเสียแต่แท้ที่จริงแล้วเสียก็ได้เป็นของคู่กันความเกิดกับความดับก็เป็นของคู่กันแต่ว่าบุคคลจะไปรับเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่บทเรียนเหล่านี้ก็ทรงสอนให้ดูแม้ในชั้นกัลงลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นตัวการปนเปื้อชีวิตมีการชี้เห็นว่าชีวิตมันเป็นอย่างเองหายใจเข้าก็เป็นได้หายใจออกก็เป็นเสียนั้นคือสูตรของชีวิตเพราะนั้นทุกอย่างที่เข้าไปเกี่ยวข้องนั้นจึงมีทั้งได้มีทั้งเสียเสียก็คือเสียได้ก็คือได้ไม่ไปเดือดร้อนหรือไปไ ม, ไม่ไม่ไปมุ่งมั่นเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะแท้จริงแล้วมุ่งมั่นอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเป็นเรื่องฝืนธรรมชาติธรรมดาแล้วไม่มีใครที่จะได้ไปอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวเช่นจะทุกไปอย่างเดียวโดยไม่ได้สัมผัสความสุขขึ้นมาเลยหรือว่าสุขอย่างเดียวโดยไม่สัมผัสความความทุกข์เลยนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะแม้แต่ในกรณีที่กําลังสวยสุขตัวอย่างเช่นสุขที่เกิดจากการปฏิบัติสมาธิมีความโปร่งเบาสบายทั้งกายทั้งใจมีทั้งปีติมีทั้งสุขมีทั้งความสงบบังเกิดขึ้น แต่ในที่สุดมันก็เปลี่ยนแปลงก็แปรปรวนก็ลดต่มลงไปจนกลายเป็นความทุกข์หรือบางครั้งอาจจะสุขสูงขึ้นไปแต่ในที่สุดก็ลดลงลดลงนี่แสดงว่าในตัวของความสุข ก, ก็เปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดระยะเวลาพอมาถึงมองความสันเซินก็มีลักษณะเช่นเดียวกันความสันสินเป็นการแทรกซ้อนของอารมณ์มากเป็นพิเศษ บางครั้งอยู่ที่เขาชอบเท่านั้นเองแต่เขาได้ประโยชน์จากเราก็ยกย่องสันสนก็ไม่ได้ประโยชน์ก็กระทำหนิ้ตีเตียนคนคนเดียวกันนั่นเองมันทีก็พบกันที่กลุ่มผลประโยชน์เท่านั้นเองพอเราให้ประโยชน์เขาก็ยกย่องพอวันไหนไม่ให้เขาก็ตําหนิ้ตีเตียนแล้จะดูตัวอย่างคนที่ใกล้ใกล้เพื่อนฟูง้งลูกน้องผู้ใต้บงังคับบัญชาเป็นต้นที่ยกย่องเราอยู่แกยกย่องเพราะมีผลประโยชน์ให้แกเท่านั้น วันไหนไม่ได้ผลประโยชน์แกอ จ, จะแอบดินทาหรืออาจจะติเตียนเราตรงๆ้าการขวางผลประโยชน์กันบ่อยๆกว่า จ, จะเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายขึ้นมาได้เพรเรื่องนี้ก็ทรงสอนให้มองเห็นในแง่ที่เป็นโล ก, กธรรมเหมือนกันมองไปที่ความคิดของวินยูชนของบัณฑิต ท, ทั้งหลายในเวลาถูกนินทาก็ไม่เดือดร้อนเพราะถูกนินทาเวลาสันเสริญก็ไม่เพลิดเพลินเระองหลงเพราะการสันเสริญ เดี๋ยวจะจ้าพยายามใช้สิ่งทั้งหมดนั้นทั้งด้านดีและด้านไม่ดีให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตนพอมาความสุขก็มีลักษณะเช่นเดียวกันความสุขในชั้นของชีวิตที่เกิดขึ้นทางกายทางจิตก็ให้มองในแง่ของธรรมดามันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเกิดสุขมันก็สุขได้แต่ไม่ใช่สุขตลอดไปมันก็ทุกข์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาประสบความทุกข์ก็ไม่เดือดร้อนเพราความทุ ก, ทกข์จนถึงซ้ำซ้ำเติมตัวเองให้หนักมากกิ่งขึ้น เวลาประสบความสุขก็ไม่ระเริงหลงมากจนเกินไปดังนั้นจะพราบว่าในชั้นของการปฏิบัติที่ถือว่าเป็นหลักแล้วก็ทรงสอนให้บุคคลพยายามทําใจทําใจไว้สองอย่างอย่าให้ยินดีอย่าให้ยินไร้ถ้าเกิดยินดียินร้ายก็อย่าให้เกินไปอย่าให้มากไปเพราะยินดีมากเกินไปก็มีปัญหายินร้ายมากเกินไปก็มีปัญหาถ้าลดละความยินดียินร้ายลงไปได้ปัญหาก็จะน้อยลง เดีวจุดมุ่งหมายในการประพฤติปฏิบัติธรรมะที่ถือว่าสูงสุดนั้นันนอยู่ตรงไหนอยู่ที่ใจซึ่งไม่ยินดียินไรพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีนั้นจะไม่ยินดีและไม่ยินไร้ในอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์เหล่านั้นก็สักแต่ว่าอารมณ์รูปก็สักแต่ว่ารูป ต, ต่างๆเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามในชั้นที่ลดหลั่นลงมาบุคคลต้องเกี่ยวข้องกับความทุกข์ การพยายามควบคุมใจของตนอย่าให้เกิดความยินดีมากเกินไปย้าให้เกิดความยินร้ายมากเกินไปสามารถบรรเทาความทุกข์ที่บังเกิดขึ้นในชีวิตของตนได้ตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความส ง, งบสุขต่อไป